ของแต่ของตนะคะตอนนี้ตัวตัวเองเ็ย่งไม่รู้ว่าทำอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสูมันเป็นส่วนที่จะต้องฝก้องหาหาที่นี่อยากจะงรัฝึขอไปเนี่ยว่าถ้าว่าเราจะทำให้คนหลายๆคนที่อยู่รวกันมากๆมีแรงกรงุที่จะทำอะไรที่เกิดเกิดความสุขเพืการใน้ อ๋อค oh. ือไอ้แรงดึงดูดที่จะมาพูดว่าดึงดูดใหคนเนี่ยนะพยายามทํานดึดูให้คนเนี่ยทความดีนะดึดูให้คนเนี่ยมีศีลธรรมนะก็คือความสุขไม่ใช่ไม่ใช่แค่แรงแรงดีไอ้แรงที่คืแรงความจำเป็นทาให้ต้องทความคนทาความดีเพราะตัวบาตัวติคุกม แต่คนทําความดีเพราะมีความคุดเห็ทํารมประโยนถ้าเราอยากให้เขาทำความนี้เนี่ยควรใช้ความสุกเป็นตัวอยาถ้าเราอยากให้เขาเลิกเลิกเล่าจะใช้แต่ความกลัวแต่ทําให้เขาได้รูความสุกจากการไปม่กินเล่าถ้าทําให้เขาเนี่ยมีมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเนี่ยก็อย่าใช้แต่ความกลัวว่าจะต้องเป็นเองถ้า ถ้าไม่ใส่ญญาแต่ว่าให้มีความรับชอบถ้ามีความชอบต่อต่อต่อผู้รักมันก็จะใา่เองนะ่รัไอ้ความชอบเนี่ยมันก็เป็นแรงอู่ทาให้คนเปลี่ยนความเป็นพฤติกรรมอธบายพูดถูดพฤติกรรมพูดถึงการภานาพูดถึงการปฏิบัติความสุกเนี่ยมันเป็นแรงมันเป็นแรงมันเป็นปัจจัยบุบาที่ทาให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ความดีได้ เพราะฉะนั้นเนนี้้นก็ปัจจัยทั้งทสี่ประการนี้มันสำคัญกัานที่เราทำแต่ความคุณจะเกิดขึ้นดอย่างไรก็ที่ถูกเป็นนะหรือว่าที่อื่นผู้อื่นหรือว่าขึ้นความเพียรเรี่อายมาจะบอกว่ามันมันมันโยงกันสมใจใช่ไหมสมใจเนี่ยนะมันก็เกิดจากการพึ่นตนเพราะขึ้นตนแลมีความสุขภาคกุญแจที่ถูกก็ทำให้สมใจได้ คิดถึงผู้อื่นก็ทำให้สนใจได้สมาร์ที่พอรันทำให้สนใจได้มาหลาย่ในสี่ตที่มันสัมพันธมากเป็นัจยให้กการข่งขันนะขอให้จับตัวอะไรหนถูกลวเนี่ยมันจะเพื่อตัวตอวหน้เรามาเป็นแรงบึงแรงหรือบัจจวนะให้คนเราเปีนพฤติกรรมหรือทาความดี